รั้งนี้เป็นครั้งที่หกของคอร์สกิเลต์แมネจเมนต์คือพอมาถึงครั้งที่หกนี้ทุกคนก็น่าจะประเมินตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นนะว่ากิเลตอันไหนบ้างที่เราจัดการได้ตัวไหนบ้างที่เรายังคงจัดการไม่ได้และตัวไหนบ้างที่เราเลือกที่จะประนีประนอมกับเขาก็ไม่ว่ากันนะยังไงก็ได้ข อ, อยางเดียวอย่าไปใช้เอมสิบเก้าก่อนที่จะเข้ามาห้องนี้ตัวภาพได้เดินสำรวจ ไปยังห้องต่างๆวันนี้เราต้องเพิ่มห้องนะเราก็ชื่นใจมากที่ทุกท่านทุกคนยังยังคงมากันอย่างต่อเนื่องเรือกกันได้เลยว่าอุ่นหนาฝาคั่งวันนี้ก็ยอดผู้จองเข้ามาก็ขึ้นสองพันสองพันกว่าคนแต่พื้นที่จริงๆเรารับได้เต็มที่เนี่ยถ้าว่าอย่างเต็มที่ที่สุดนี้ก็จะอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยคนเท่า น, นั้นเองแต่วันนี้ก็ ประมาณพันถึงพันห้าร้อยคนขึ้นไปก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่แม้หลายท่านหลายคนจะเข้ามาแล้วเนี่ยหาที่นั่งลำบากมากเมื่อกี้ธตรมาพไปทำธุระข้างล่างก็ยังได้ยินญาติโยมบ่นบอกว่าเอะอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่เห็นพระอาจารย์แต่ว่าจะได้ยินเสียงไหมเขาคุยกันอยู่พอดีพอดีตมาเดินลงไปข้างหลังอาตอมาเลยบอกว่าได้ยินสิเพราะฉะนั <laughs> ้น หลายท่านหลายคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ในห้องที่หนึ่งเนี่ยนะคุณโยมนะก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าการที่เราไม่พร้อมนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้ดูใจของเราว่าเรานั่งตามขั้นบันไดบ้างตามทางท้าบ้างตามหน้าห้องน้ำบ้างแลดูใจของเราว่ากิเลสมันแสดงตัวตนไหมมันฟาดงวงฟาดงาไหมว่าฉันไม่พอใจถ้ามันแสดงอาการออกมาตบหัวมันลง บอกว่าวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นอย่าให้กิเลสมันฟูขึ้นมาก็ตบหัวมันลงแล้วก็บอกว่านั่งที่ไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมและการฟังธรรมใช้ใจใช้ใจกลายเป็นแค่สภาพเอื้อหลักๆคือใจของเราถ้าใจของเรามาแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะนั่งห้องไหนก็ก็ได้ทั้งนั้นและธตรมาพัฒเชื่อมั่นวาทุกท่านทุกคนมีความสุข เพราะถึงดีสุดแล้วห้องแห่งหัวใจของเราคือห้องที่เราควรจะนั่งมากที่สุดห้องข้างนอกนี้เราลุกจากตรงนี้ไปเดี๋ยวทางคุณยศแม่ตาก็ใช้เป็นห้องถ่ายแบบของแพร่ข้างล่างแล้วนะห้องข้างล่างอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องเปิดคอสพิเศษเมื่อวานเขาก็สอนกันแต่งหน้าเคสกันนะบางวันเขาก็สอนทําอาหารกันบางวันเขาก็เปิดอบรมนักเขียนกันเพราะฉะนั้นห้องทุกห้องเนี่ยทางอมารินนี่เรียกกันว่าเอื้อเฟื้อกันเต็มที่เลย ห้องเหล่านี้เมื่อเราเดินจากไปก็จะไปทําภารกิจอื่นๆแต่ห้องที่สําคัญที่สุดห้องแห่งหัวใจของเราทุกคนเราจะต้องบริหารจัดการให้ห้องห้องนี้เป็นห้องที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีธรรมะเข้าไปยึดครองอย่าให้กิเลสเข้าไปยึดครองมากนะักกิเลสนั้นเอาแบบพอเพียงแล้วพอละแต่ธรรมะเอาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นห้องภายนอกเป็นเรื่องที่เมื่อเราลุกเดินจากไปก็ไม่ใช่ห้องของเราและเราก็จัดการอะไรไม่ได้ แต่ห้องแห่งหัวใจนั้นเป็นห้องที่เราทุกคนจะต้องบริหารจัดการกันด้วยตัวเองหัวใจมีสี่ห้องซึ่งเราควรจะบรรจุธรรมะเข้าไปแต่คอสกิเลนแมネจเมนต์มีตั้งหกครั้งและแต่ละครั้งแต่ละครั้งอาตมาเชื่อมั่นว่าทุกคนที่มาได้พบกับสิ่งที่ดีๆหลายคนเมื่อจบคอสแต่ละครั้งมานั่งคุยกับอาตมาพาคุณพ่อมาพาคุณแม่มาพาคุณลูกมาบางคนก็สามีมาก่อนแล้วก็ กลับไปก็ไปชวนพันธะยามาบางคนมาตัวคนเดียวมาครั้งต่อมาก็พากิ๊กมาก็มีหลายคนบางทีก็พาลูกๆตัวเล็กส่วนใหต่จมาเห็นอยู่อนุบาลสองก็มีก็มานั่งฟังแล้วไม่ได้มาครั้งเดียวแล้วมาครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วด้วยและหลายท่านก็เป็นเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นผู้มีชื่อเสียงก็มานั่งฟังในฐานะที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งสนใจธรรมะเช่นเดียวกัน ฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นของจําเป็นสําหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาสังกัดชาติชั้นวันหน้าไหนก็ตามตลอดเวลาที่ธรรมภาพจัดคอร์สกิเลตแมนจ์เมน้นนี้ระหว่างนั้นนอกจากธรรมะจะอํานวยการให้คอร์สนี้ดําเนินไปแล้วจะมีบ่อยครั้งที่ธรรมภาพได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายธรรมและนําปฏิบัติข้างนอกเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเร็วๆนี้มีคุณคนหนึ่งเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง และมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้โอกาสไปออรายการเจาะใจมีผู้ชมรายการเจาะใจบริจาคเงินจำนวนมากมายให้เขาได้ฉีดยาเข็มละหนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้าจาไม่ผิดนะด้วยแรงบริจาคของผู้ดูผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้ฉีดยาเข็มละล้านเนี่ยนะในที่สุดโรคมะเร็งหายเธอคนนี้ตั้งปณิธานว่าที่ฉันหายได้ก็เพราะ มือที่มองไม่เห็นจากทางบ้านใครก็ไม่รู้โอนเงินมาร่วมบริจาคกา ร, รายการเจอใจตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันเกิดหมยและฉันจะอุทิศตนเป็นผู้ปลุกปลอบให้คนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั่วประเทศไทยมีชีวิตอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขคุณยมคนนี้ชื่อคุณยมหนูวันหนึ่งเธอก็ได้พาคุณแม่ของนิสิตคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่คณะนิติศาสต ร, ร์ชลาลองกรมหาวิทยาลายัย นิสิตคนนี้เป็นเด็กเรียนดีระดับเกียรตินิยมเพื่อนๆรักกันทั้งคณะแต่ว่าพอสอบเอ t ทร n c e ์ติดเท่านั้นเองก็ตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูกไม่มีโอกาสที่จะได้ไปนั่งเรียนในห้องทางคณะนิติศาสตร์ก็ใจปั้มมากใจกว้างมากสงสารน้องนิสิตคนนี้ส่งครูบาอาจารย์มาสอบสัมภาษณ์ที่ข้างเตียงคนไข้จัดครูบาอาจารย์มาสอนกันที่ข้างเตียง แลระหว่างนั้นเองน้องคนนี้ก็มีคุณหนูซึ่งเป็นอาสาสมัครมะเร็งนี่แหละในฐานะรุ่นพี่ที่เดินทางมาก่อนแล้วหายป่วยด้วยโรคมะเร็งคอยให้กำลังใจในระยะสุดท้ายที่น้องเริ่มป่วยน้องก็ศึกษาธรรมะมากขึ้นมากขึ้นกระทั่งเมื่ออาการเริ่มหนักหนาสหัสเข้าขั้นระยะสุดท้ายคุณหนูก็ได้รับเชิญให้ต่อรายการเจาะใจอีกครั้งหนึ่งในช่วงส่งความสุขคุณหนูคนนี้ทาอะไร พาคุณแม่ของน้องคนนี้มาฟังธรรมจากอาตมาเธอให้เหตุผลว่าพระอาจารย์คะผู้ป่วยไม่เท่าไรคะ่ะกำลังใจดีมากเลยแต่แม่ผู้ป่วยสิคะทําท่าจะไปก่อนผู้ป่วยก็เลยพามาฟังธรรมจากอาตมาวันนั้นอาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมให้เธอฟังกว่าสองชั่วโมงทำให้คุณแม่ของผู้ป่วยนั้นมีกำลังใจมากก็กลับไปไปดูแลลูกชาย ไม่น่าเชื่อจากลูกชายซึ่งสดชื่นรื่นเริงแล้วก็เบิกบานใครเห็นใครก็รู้ว่โอ้ยไม่เป็นไรหรอกสามวันหลังจากนั้นอาการสุดหนักเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นคืนที่รายการเจาะใจซึ่งตามเก็บชีวิตน้องของคนเล้ได้อ่อนแอไม่มั่นใจว่าน้องคนนี้จะมีลมหายใจเข้มแข็งมากพอที่จะนอนดูรายการโทรทัศน์ที่ตงไปออกหรือไม่นะเพราะว่าพอเริ่ม สองสามทุมของก่อนที่รายการเจาดใจจะออกอาการของเขาก็เข้าขั้นโคม่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและคืนนั้นตอนตีห้ายี่สิบนาทิน้องที่เป็นอาสาสมัครมะเร็งคนนี้ก็ต่อสายโทรศัพท์จากข้างเตียงที่โรงพยาบาลศิริราชมาหาตมาตอนตีห้ายี่สิบสภาพนี้มีประสบการณ์นะโทรศัพท์ที่มาหลังเที่ยงคืนกับมาตอนเช้าตรูนี่ไม่ดีเลยนะจะบอกให้ คือถือว่ามาในเวลาวิกาลเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาตมามาเรียกอาตมาว่ามีโทรศัพท์นาทีนั้นอาตมารู้ว่าจะต้องมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นพอรับสายคุญยมหนูที่เป็นอาส า, าสมัครมะเร็งก็บอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะ่ะน้องนรุศอาการไม่ดีเจ้าคะ่ะน้องอยากฟังธรรมจากพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์เทศเลยนะเจ้าคะ่ะก็เลยเทศออนไลน์ โรงพยาบาลสีดีด้านนะที่ข้างเตียงของน้องก็เปิดสเปกตร์โฟนทั้งคุณหมอทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งญาติก็เลยฟังกันอัตมาภาพเทศอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงพอประมาณหกโมงเช้าพอมาวางสายน้องคนนี้ก็ดับเจ็บไปอย่างสงบแล้วก็นี่ก็เป็นเหตุให้พอรุ่งขึ้นอตมาภาพก็เลยได้มีโอกาสไปเป็นประธานรดน้ำศมให้กับน้องนรุธคนนี้ด้วย ทั้งๆที่ในชีวิตไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าน้องคนนี้ได้อ่านหนังสือธรรมะที่อาตมาเขียนมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งเล่มศบตากับความตายถือว่าเป็นคู่มือที่น้องคนนี้ได้อ่านแล้วก็เตรียมเลี้ยเตรีย ม, ต, ยมตัวมาเป็นอย่างดีเรื่องการศบตากับความตายนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สกิเลต์แมネจเมนต์ที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่ทานบรรยายเอาไว้ถ้าเราไม่อยากให้วันเวลาของกฎแห่งกรรมนั้นมันเยอะเยือเรื้อรังนะ ก็บอกตัเองว่าพอแล้วสําหรับการทิ้งเสียทันทีที่เรารู้สึกตัวว่าความทิ้งเสียเป็นอันตรายก็ขอให้ปล่อยให้วางทันทีที่เราปล่อยวางชาติภพของเรากับเขาคนนั้นขาดพึงลงทันทีแต่ถ้าเรารู้แล้วนะว่ามันไม่ดีแต่ยังไม่ปล่อยวางนะชาติภพของเรากับเขาคนนั้นก็จะยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานต่อไปในชีวิตจริงคุณยมเคยเจอไหมใครบางคนที่แค่เจอหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ชอบหนะ้าเคยมีไหม ได้ยินเขาพูดครั้งแรกเลยไม่ชอบหนะ้าเดือนที่แล้วตมาภาพไปแสดงธรรมที่จังหวัดพิจิตรนะ่ะพรรยาคุณยมคนหนึ่งมาร้องไห้ให้กับอาตมาบอกว่าไปโปรดสามีเขาหน่อยตอมาถามว่าเป็นอะไรเธอก็บอกว่าสามีเครียดกับการเมืองมากเมื่อวานเนี่เพิ่งยิงโทรทัศน์ไปเ <c oughs> ขาไม่ชอบหนะ้าไม่ชอบหนะ้าแกน้ำพันธมิตรนะพอโผล่ออกมาให้สัมภาษณ์แกควักปืนลูกสองยิงเปรี้ยงเลยจอแตกเลย อย่างเงี้ยชาติภพยาวเห็นไหมจะเอาอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นตัดตอนเลยนะถ้าตัดตอนชาติภพเลยนะอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเลิกรื้อาเข้าไปมันก็จะจบกันในชีวิตนี้ประการที่ห้าพัฒนาตนเองให้เหนือกว่าคนที่เราริษยาเพราะลึกๆที่เราริษยาเขาเนี่ยเป็นไปนได้ว่าเขาเหนือกว่าเราเราจึงไปริษยาเขาก็อย่างที่ธรรมภาพบอกไม่มีใครแต่หมาที่ตายแล้ว และไม่มีใครไปยืนด่าเสาโทรศัพท์เสาโทรเลพและเสาไฟฟ้าฉะนั้นถ้าเราดิสียเขาหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในเขาเราอยากมีฉะนั้นถ้าใครมาริษยาเรานะหรือเราไปดิษยาเขานะี่วิธีหนึ่งก็คือเอากิเลสมาล้างกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราสามารถเอาตัณหามาละตัณหาได้เอามานะมละมานะได้คำอธิบายิี้ดูเหมือนจะเป็นคําของพระอานนท์พระอานนท์ท่านบอกว่า ถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นพระอาหารหันต์เราก็อยากเป็นบ้างก็เลยพากันไปปฏิบัติธรรมในที่สุดก็ได้เป็นพระอาหารหันต์นี่เรียกว่าเอาตันหาละตัหาเอามานะละมานะคือเอาอีโก้มาละอีโก้เช่นเห็นว่าคนอื่นเป็นพระอาหารหันต์ได้เขาก็คนฉันก็คนเขาทำได้ทำไมคนอย่างฉันจะทำไม่ได้นี่เอามานะมาละมานะก็ได้เหมือนกันอาดมาขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซึ่งถูกริษยาใหญ่โตมโหฬารระดับประเทศ ก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันกันกบอาตามาคืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ถูกพิษสยาหาว่าเป็นศิลปินใหญ่เพราะว่าตั้งแต่แกเรียนที่ศิลปรกรแล้วแกก็มีความคิดความฝันว่าจะเป็นศิลปินใหญ่เหมือนรุ่นพี่คืออาจารย์ถวันดัดชเนยแกก็เลยวาดรูปแล้วก็แสดงงานบ่อยมากและแกก็ตัดชุดเสื้อหม้อห่อมของแกนะสีน้ำเงินนะ่ะมันใส่แทนชุดคนทั่วๆไปแล้วเวลาเขามีงานที่ไหน ไม่ว่าจะเชิญหรือไม่เชิญแกไปหมดเพื่ออะไรเพื่อให้สื่อนำเสนอภาพและข่าวของแกผ่านจอโทรทัศน์และเพื่อนๆ เ, เขาจะจัดงานที่ AU a อ a เอบ้าง British าลบ้างที่ไหนบ้างในหอศิลป์ริษีบ้า ง, ใ น, นางในมหาวิทยาลัยศิลปกรบ้างแสดงงานศิลปะแล้วก็ศิลปินทั้งหลายก็จะไม่ขายงานศิลปะเพราะถือกันว่าศิลปินนั้นเปรียบเสมือนฤาษีเปรียบเสมือนราชสีคือถึงจะอดอยาแค่ไหนก็ไม่ขอใครกิน เพราะฉะนั้นศิลปินส่วนใหญ่ในยุคก่อนหน้านั้นจนมากนะจนมากต่อมาอาจารย์เฉลิมชัยก็ไปแสดงงานในโรงแรมพอแสดงงานในโรงแรมก็มีคนสนใจมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวมีสื่อมวลชนมาทําข่าวมากมายแล้วภาพของแกเนี่ยก็ขาวได้จากนั้นก็มีฝรั่งมาสนใจแกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสื่อก็เริ่มเขียนถึงแกว่าเป็นศิลปินใหญ่วันหนึ่งแกเดินเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมกับเสื้อเมื่อห้อมตัวโปรด เพื่อนเก็ชี้นะบอกว่าเฮ้ยลิกลิงลิงลินแ ล, ลปินใหญ่มาแล้วเว้ย <c oughs> แกบอกว่าแกแขนมากวันหนึ่งแกไปแสดงงานที่โรงแรมบนเทียนครั้งนั้นขายภาพได้สองแสนห้าหมืนบาทเป็นข่าวเกลียวกลามากแกเอาเงินจากการขายภาพครั้งนั้นมาซื้อบ้านเพื่อนเพื่อนในแวดวงศิลปินจำนวนมากตราหน้าแกว่าเป็นผู้ที่ทําให้วงการศิละปะเมืองไทยตกต่ํำถึงที่สุดเพราะเอางานศิละปะมาขายแบบแบกกระดิ่นแกลุกขึ้นมาประกาศว่าเออ กูไม่เป็นก็ได้ไว่าศิลปินนะ่ะกูเป็นพ่อค้าที่บังเอิญวาดรูปได้เว้ยเชื่อไหมหลังจากที่แกถูกด่าจนจมหูอยู่สี่ห้าปีจากนั้นเป็นต้นมานะหลังจากที่แกถูกก้อนหินปาหัวจนไม่มีที่ที่หัวจะโนแล้วเนอะแกบอกว่าศิลปินทั้งหลายเดินพาเรดเข้าไปในห้างสรรพสินค้าและโรงแรมหรูๆเพื่อจัดแสดงงานศิละปะ ตามรอยแกทั้งหมดและแกเห็นว่าเมืองไทยเป็นแค่สวนหย่อมบนแผนที่โลกแกไปแสดงงานต่างประเทศร่วมกับอาจารย์ถวันดัชนีไปมาจนทั่วโลกสุดท้ายแกร่ารวยมั่งคัง่งแต่คนที่ดูถูกดูหมิ่นแกยังไม่จบนะวันหนึ่งแกนั่งรถญี่ปุ่นไปติดไฟแดงไปเจอกับอาจารย์คนหนึ่งนั่งรถยุโรปมาเปิดกระจกมาดูถูกแกเนี่ยเราศิลปินใหญ่แคนมากแกเลี้ยวรถเข้าอู่รถเบนซ์ ขอซื้อโดยไม่จองเขาบอกว่าต้องจองกันเป็นเดือนเป็นปีแกบอกว่าเอาวันนี้ขายไม่ขายเขาก็เลยถามว่าอาจารย์มีเงินไหมคุณจะขายหนึ่งคันหรือจะขายทั้งร้านก็ไปซื้อรถเบนซ์มาเสร็จแล้วก็ขับไปหาอาจารย์คนนั้นที่หน้าคณะกดแตรเสียงดังลั่นทั้งอาจารย์ทั้งนิสิตมายืนดูกันหมดแล้วแกก็ลงไปเอามือเท้าเซลชี้แน่ด่าเป็นยังไงศิลปินกับอาจารย์ต่างกันตรงไหน ศิลปินก็รวยได้หลังจากนั้นมาไม่มีใครกล้ามาดูเมนเทนแคลนแกน่และแกบอกว่าแกเจ็บปวดมากกับการที่ถูกริษยาครั้งนั้นแกบอกว่าถ้าแกไม่ลุกขึ้นมาสู้แกก็จมดินจมทรายเป็นได้อย่างดีก็แค่ศิลปินจนจนคนหนึ่งที่ยังอยู่บ้านเช่าไม่ใช่มีบ้านที่กรุงเทพหนึ่งหลังที่เชียงใหม่หนึ่งหลังเชียงรายหนึ่งหลังเหมือนทุกวันนี้นะแกบอกว่าทุกวันนี้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้จึงนํามาสร้างวัด บทสรุปของแกก็คือแกบอกว่าเมื่อเรารักที่จะเป็นคนแรกที่เดินไปสร้างทางของตัวเองขอให้จํำมาไว้เลยว่าจะมีเสียงกูกล้องร้องด่าตลอดสองเส้นทางแต่อย่างไรก็ตามขอให้เราเชื่อมั่นในทางที่เลือกแล้ววันหนึ่งเมื่อเสียงกู่กล้องร้องด่านั้นเหนื่อยอ่อนลงไปเราก็จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้คนเห็นนี่คือบทสรุปของอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งถูกริษยาระดับชาตินะ ทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ยายังมีคนเล่นงานแกตลอดเวลาแต่แกบอกว่าใครริษยาได้ก็ริษยาไปเสียใจด้วยอ้วกไม่มีเวลาว่ะจะสร้างวัดอย่างเดียวฉะนั้นถ้าเราพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคนยอมนะว่าหนึ่งคนที่ริษยาเราเขาจะอยู่ที่เดิมนะแต่เราซึ่งพัฒนาเองตลอดเวลาจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเลยไปพ้นไปจนเขาได้แต่แงนคอตั้งบ่ามองดูเรา นี่ก็เป็นวิธีที่เรียกว่าเอากิเลสมาละกิเลสซะเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลมากอาตมาเองตอนที่ยังเรียนไม่จบเรียนธรรมเก้าประโยคเคยถูกลิสยาตอนนั้นเรียนอยู่แค่รเรียนธรรมเจ็ดประโยครุ่นที่สอบได้รเรียนธรรมแปดประโยคและปีต่อมาเ ก, ก็ได้เก้าประโยคนมะันแซวอาตม า, ตมาถึงกุฏิเลยนะว่าโหเนี่ยนะตั้งใจมาจากเชิงรายเนี่ยนะ เพื่อมาเรียนเป็นทรรเจตเองเหรอเอาให้ได้นะถ้าไม่ได้ปีหน้า่าอยู่นะกดวัดมีสามปีต้องได้ต้องได้นะถ้าสามปีสอบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องออกจากวัดนะธรรมาภาพนี้เป็นคนที่ชอบมากนะถือว่าถือว่าคําท้าทายหรือความอิจฉาริษยาจากคนอื่นนะเป็นการป้อนอาหารให้อตมาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาริษยาตมาจะบอกว่าขอบคุณอย่างลึกซึ้งเพราะมันเกิดแรงในการมุขมานะอตมาเคยเขียนเอาไว้ว่า ขอบคุณทุกความริษยาที่ทำให้ตามาลุกขึ้นสู้ตมาภาพรู้ดีว่ามีคนจับตาดูมีคนที่ริษยาเราอยู่ตม่าเขาก็เลยบอกตัวเองว่าเธอต้องทำให้เขาดูนะว่าที่เขาจับตาดูเธอนั้ น, น, นเป็นการจับตาดูคนที่ถูกต้องแล้ว <ST> แล้วบอกเขาด้วยว่าอยากระพริบตาแค่ในสามปีจบปีเรียนทาก้าวประโยคเรียบร้อยแล้วเราไม่จบแค่นั้นนะ เราเจบปริญญาธรรมก้าวไปยคเราเจบปริญญาโทด้วยนะเหนือกว่าคนที่ริษยาเราไปขั้นหนึ่งนะเพราะเขาแค่ปริียนธรรมก้าวไปหยคแล้วก็แค่ป .6 เท่านั้นเองอาตมาตั้งปณิธานไว้ในใจว่าวันหนึ่งนะถ้าฉันไปถึงตรงนั้นฉันจะต้องเหนือกว่าทั้งทางโลกทางธรรมจริงๆไม่ได้เอาตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวนะมันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของการสร้างเหนือสร้างตัวทางปัญญาแล้วเราไม่ไปเสียเวลากับเขา เราก็หยิบเอาก้อนหินทุกก้อนที่ปาหัวเรานะเราไม่เอาไปปาตอบนะแค่เอาก้อนหินมาปาหัวเราเราไม่เอาไปปาตอบเรารวบ ร, รวมก้อนหินเหลนะ่านั้นมาวางเป็นขั้นบันไดไต่ขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดถึงบรรลังของความสําเร็จได้นี่เรียกว่าเอากิเลสมาล้างกิเลสตันหาและตันหามานะและมานะพอเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคนที่เคยริษยาเราเนี่ยเขาอยู่กับที่นะเขาไม่มีเวลาพัฒนาเพราะอะไรเพราะเขามัวแต่หาประเด็นมาริษยาเรา แต่เราก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็อยู่เหนือเขาพอเราอยู่เหนือเขาปุ๊บเขาก็จะโหสิกรรมต่อเราแล้วก็เลิกแล้วต่อกันเห็นไหมในที่สุดก็หายกันไปไม่มาชู้จีจ้จุกจิกกวนใจอะไรกับเราได้อีกเอาต่อไปประการที่หกนะผูกไมตรีด้วยแผ่เมตตาและเอาเขามาเป็นพวกอับราฮัมลินคอนบอกว่าวิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุดก็คือทำศัตรูให้เป็นเม็ด ฉะนั้นถ้าเรายังริษยาเขานี่มันก็จะสืบชาติสื่อพบนะวงจรของความอิจฉาทีริษยาก็จะยืดเยื้อยาวนานไปเดินเข้าไปหาเขานะแล้วก็ดีต่อกันซะมีอะไรควรแบ่งก็แบ่งมีอะไรควรให้ก็ให้มีอะไรควรคุยก็คุยเขามีงานมีการเรการก็ไปช่วยเอาเขามาเป็นม็ตรชวนกันมาเป็นมิตรเป็นไมตรีเป็นญาติสนิทมิตรสหายในที่สุดก็จะสลายตัวไปไกลายเป็นเพื่อนของกันและกัน วิธีนี้นะว่าเป็นวิธีที่บวัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนแสดงถึงภาวะของความเมตใจสูงของทั้งเราและเขานั่นคือเชิญเขามาเป็นเพื่อนร่วมงานซะโดยวิธีนี้ความริษยาก็จะกลายเป็นธรรมะขึ้นมาทันตาเห็นแล้วก็ต่อไปประการที่เจ็ดมุธิตาคือพลอยโมทนาไปกับเขาเห็นเขาได้ดีมีความสุขให้ยกมือสาธุขอโนมโมทนาด้วยนะคุณเนี่ยเก่งจริงๆเลยเนาะ โอ้สักวันหนึ่งชั้นน่าจะทําให้ได้อย่างคนนะอู้ดีจังเลยนะพ่อมหาจำเริญนะเนี่ยเป็นลูกใครเนี่ยพ่อแม่นี่มีบุญตายเลยนะเนี่ยเออโมทนาไปกับเขาแล้วสังเกตนะถ้าเราเห็นใครได้ดีมีสุขถ้าเราพลอยโมทนานะจิตใจเรานี่จะเปลี่ยนทันทีเลยนะมันจะเบิกบานนะปรีบานขึ้นมาทันทีทันขวัญแต่ถ้าเราเห็นใครได้ดีมีสุขล้วเราบอกว่าเชอือได้รางวัลมาไม่รู้ว่าได้ด้วยเงินหรือได้ด้วยอะไรอต่ถ้าคิดอย่างนี้นะคิดว่าสุขไหม คุกเนียบางทีเห็นออกทีวีเช่พวกนี้พวกสื่อสื่อเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแล้วใครคิดอย่างนี้นะี่ยอย่าไป น, นึกนะว่าใจเขาจะสุขเขาจะทุกเพราะถ้าเขาสุขเขาจะไม่เริ่มต้นด้วยคําว่าเชือ <c oughs> ตั้งคำนี้พูดออกมานี่มันมันเป็นสัญญาณอยู่ในทีนะว่าคนมีความสุขเขามไม่พูดกันหรอกนะใช่ไหมคนมีความสุขเขาจะบอกว่าอุ้ยดีจังเลยเนี่ยเมืองไทยเรามีคนเก่งเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะ พระสารีบุตรแนะวิธีโมทนาไว้ดังต่อไปนี้นะว่าถ้าเห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาดีกว่าเราให้เรายกมือโมทนาว่าสาธุคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่เขาเก่งจริงๆเนาะโอ้โหเป็นต้นแบบให้เราได้เลยนะนี่เห็นไหมไม่ต้องไปอิจฉาบรนพระบรุตรของเรานะถ้าเห็นคนรุ่นเดียวกันได้ดีได้ดีมีความสุขโอ้โหเนี่ยคนรุ่นชั้นเนี่ยนี่รุ่นสองห้าหนึ่งหกนี่คนเก่งเต็มไปหมดเลยเนี่ย โอ้เนี่ยดูสิเนี่ยแม่รุ่นชั้นนี้มันรุ่นประวัติศาสตร์จริงๆคนนั้นก่เก่งคนนี้ก่เก่งโอ้โหเก่งหมดเลยยกเว้นชันคนเดียวแน่ <c ười> หัททอมตนซะมัง่งแล้วจิตใจมันเจอรื่นเริงเบิกบานนะแต่ถ้าเราบอกว่าคนโน้นก่อเก่งคนนี้ก่เก่งแต่เสืออย่างเดียวอย่างสู้ฉันไม่ได้อันนี้ยังไม่ดีนะอันนี้ยังก้าวข้ามลิษยาอ่อนๆไม่ได้ถ้าก้าวข้ามลิษยาได้จริงๆคนนั้นก่เก่งคนนี้ก่เก่งฉันเนี่ยไม่เก่งอยู่คนเดียว นี่หัดถมตัวลงมาอย่างนี้จิตใจของเราจะเบิกบานด้วยมุทิตาถ้าเรามุทิตามากๆนี่คุณยอมเชื่อไหมจิตใจปลิบานคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตนี้เปลี่ยนแ ป, ปลงอย่างสิ้นเชิงอุปมาเหมือนดอกบัวที่มุทิตาต่อแสงตะวันคืนนั้นทันทีที่บัวตูมโผล่คนน้ําขึ้นมารุ่งเช้าแสงแรกสาดมาต้องดอกบัวตูมดอกบัวตูมมุทิตาต่อแสงตะวันปลิบานดอกออกรับแสงตะวันเลยบานสมบูรณ์แบบ เห็นไหมที่บัวบานก็เพราะบัวนั้นมุทิตาต่อแสงตะวันบัวที่เห็นแสงตะวันสาดมาต้องและไม่ยอมมุทิตาเชันไม่เอากแก่หรอกก็จะเป็นแค่บัวตูมต่อไปไม่มีอนาคตนะเป็นบัวที่ไม่บานก็ไม่มีคนเห็นคุณค่าขณะเดียวกันถ้าฝนตกลงมาจากฟากฟ้าสุราลัยในค่ำคืนนั้นรุ่งเช้านั้น มีเห็ดจำนวนนับหมื่นนับแสนนับล้านดอกซุกตัวอยู่ใต้ผิวดินพอยาดฝนสาดมาต้องเหนือผิวดินนะเห็ดเหล่านั้นมุทิตาปริบานขึ้นมากับสายฝนเห็ดเหล่านั้นก็เป็นเห็ดที่สมบูรณ์เห็นไหมครังหากเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกําลังได้ดีมีความสุขดอกบัวหัวใจของเราปริบานด้วยมุทิตานะเราจะมีความร่วมเย็นเป็นสุขในใจทันตาเห็นขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้น เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขขอให้เรามุทิตามุทิตานี้อยู่ในหลักธรรมชุดพรห ม, มวิหารธรรมสี่ประการกล่าวคือในยามปกติให้เมตตามองคนทั้งโลกว่าเป็นมิตรกับเราทั้งหมดสองในยามที่มีปัญหาให้เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่าใจจืดใจดำสามในยามที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขเปิดใจให้กว้างและพลอยมูทิตาทีนี้แหละ เราจะมีส่วนในความสุขความสําเร็จของเขาและจิตใจของเราก็จะเบิกบาน 4. ถ้าเขากําลังขัดแย้งกับธรรมะหรือขัดแย้งกับกฎหมายหรือคนกําลังขัดแย้งกับธรรมะเราวางใจให้อุเบกขาไม่แทรกแซงกฎหมายไม่แทรกแซงธรรมะปล่อยให้เข า, ผาเผชิญหน้าชะตากรรมของเราเบื้องหน้ากฎหมายเบื้องหน้ากฎแห่งกรรมอย่างตรงไปตรงมาด้วยตัวเขาเองอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาคนไทยปฏิบัติเมตตาได้สบายมาก กรุณาคนไทยก็ปฏิบัติได้เห็นไหมเกิดเสือนามิคนไทยแห่กันลงไปช่วยจนต่างชาติเอาไปยกย่องสงเสริมว่าเมืองไทยในแสนจะใจดีเหลือเกินช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีที่สุดแต่พอมุทิตาคนไทยจะทําไม่ได้นะคนไทยจะสอบตกตรงมุทิตาเนี่ยนะเห็นพระราดอนไปได้ชัยชนะมากลุ่มหนึ่งมุทิตากลุ่มหนึ่งตั้ ง, งป้อมรังเกียจเขาเห็นทาทายังไลออกจากแกร ม, มีประกาศว่าจะโกอินเตอร์ตั้งโจมดลเกลียดทาทา แล้วไปโพรนธนาด่าเขาในอินเทอร์เน็ตทำไมเราต้องทำเช่นนั้นด้วยทำไมเราไม่คอยมุทิตานี่แหละแม่ตาก็สอบผ่านการุณาก็สอบผ่านพอมามุทิตาสอบตกแกลรู้เลยคนไทยเนี่ยพระอุเบกขานี่หนักเลยวางเฉยไม่เป็นเลยนะวางเฉยไม่เป็นแต่อยู่เฉยๆเนี่ยเป็นอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ใช่เรียกว่าพวกเป็นกลางนะ ฝั่งโน้นฉันก็ไม่เข้าข้างฝั่งนี้ฉันก็ไม่เข้าข้างฉันอยู่เฉยๆแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเป็นกลางจริงๆพวกนี้อัตมาภาพขอเรียกว่าเป็นพวกแทงกัก๊กใครชนะฉันเข้าด้วยเห็นไหมเมตตาสอบพานกรุณาสอบพานแต่พอมุทิตามักจะสอบตกเพราะฉะนั้นใครจะสอบตกเรื่องมุทิตาช่างเขาขอให้เราอย่าไปสอบตกด้วยคนหนึ่งนี่แหละขอให้เห็นคนอื่นแล้วยกจิตยกใจให้สูงบอกตัวเองว่า สาธุขอให้พ่อรักษาคุณงามความดีเอาไว้ให้ยาวนานเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะพ่อนะอูย้ยคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ฉันนี่เขาเก่งจริงๆนะโอ้โหคนรุ่นฉันนีย่ยอดจริงๆนะอูย้ยเด็กรุ่นน้องฉันนี่แหมอายุแค่นี้ก็เก่งแล้วไในเมืองไทยนี่มีอนาคตแล้วนะคนสามรุ่นเห็นไหมที่ได้ดีมีความสุขเราไม่ได้เสียใครเลยเ จ, จรจาเราเบิกบานไหมเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่กับใครเราก็ไม่ทําร้ายใคร ถ้าเราไปทํางานในองคอ์กรเราก็จะเป็นคนที่นายก็ดึงลูกน้องก็ดันคนเสมอกันก็จะช่วยเพราะเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีหัวใจอันงดงามลําเลิศ ด, ด้วยมุทิตาเฝือกเยอะๆนะมุทิตาเนี่นะใครมีมุทิตาคนนั้นหน้าตาจะยิม้มแย้มแจ่มใสเพราะมุทิตานั้นบางทีเราก็เรียกว่ามุทุตาแปลว่าภาวะที่จิตใจนั้นนุ่มนวลและอ่อนโยนถ้าภาวะจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางนะ ไม่ต้องใช้ไอ้น้ำครีมเดครีมไม่ต้องใช้นะสบายเลยเขาจะใสผุดพองเป็นยองใหญ่อยู่อย่างนั้นเพราะเราโมทิตาแล้วก็ประการที่แปดสุดท้ายเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดการปล่อยวางตัวกูและตัวสูอย่างสิ้นเชิงหมัดเด็ดอยู่ตรงหมัดสุดท้ายแต่มักจะเป็นหมัดที่เราไปไม่ถึงเพราะพระบอกว่าเจริญวิปัสสนาก็บอกว่าเอาไว้ก่อน ขอเป็นมือสมัครเล่นก่อนเจรริพิปัสนาก็หมายความว่าเราควรจะหัดเจริญสติหัดตือนรู้ดูใจในทุกๆอิรยาบทเพราะอะไรเวลาเราเจริญยาใครนะเราจะใช้อดีตมาเป็นอารมณ์เรียกว่าอาตีตารม์คือเราจะนึกถึงเรื่องราวที่เป็นอดีตที่เขาทําต่อเราที่เขาทําไปแล้วแล้วก็เก็บมาหมกมุ่นคุ้นคิดเราใช้อดีตมาเป็นวัตถุสําหรับเคี้ยวเอื้องในการ ทำงานทางด้านริษยาคนอื่นฉะนั้นถ้าเรามาฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยการตื่นรู้ดูใจในทุกๆเอรยบทจนกระทั่งว่าเราอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลาถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลาอาดีตเข้ามาไม่ได้นะอนาคตเข้ามาไม่ได้เราจะ เ, าเวลาที่ไหนไปหมกมุ่นคุ้นคิดเพื่อริษยาคนอื่นในใจของเราไม่มีทั้งอดีตและไม่มีทั้งอนาคตมีแต่ปัจจุบันขณะที่เรื่องรองผองใสอ ย, อยู่เท่านั้นฉะนั้น จิตของเรานั้นทํางานทีละขณะขณะใดที่จิตมีสติขณะนั้นกิเลสก็ไม่มีขณะใดที่กิเลสมีขณะนั้นสติก็ไม่มีโดยเหตุดังนั้นถ้าสติอยู่กับใจนะฤิษยาเข้ามาไม่ได้นั่นแหละฝึกใจให้ตื่นรู้อยู่เสมอแล้วใจก็จะไม่เอาฤิสยามาเป็นอารมณ์ใครทําได้คนคนนั้นก็จะเป็นอนุพุทธคือผู้ที่รู้ผู้ที่ตื่นผู้ที่เบิกบานน้อยๆขึ้นมาในฉพลันทันที ฉะนั้นการเจริญิปัญนาการมรานจริงเป็นวิธีการประหารความริษยาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดลองทําดูและเมื่อเราเจริญสติจนต่อเนื่องยาวนานจนการเจริญสติกลายเป็นวิถีชีวิตประจําวันอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกของเรานะในที่สุดเราจะพิจรารณาเห็นว่ากายก็คือกายจิตก็คือจิตตัวของเราเกิดจากธาตุสี่ขันธ์ห้ามาประชุมกันชั่วคราวเดี๋ยวก็เลิกประชุมเลิกประชุมก็เหลือแต่ความว่างในเมื่อชีวิตคือความว่าง ตัวเราก็ว่างตัวเขาก็ว่างตัวเราก็ยังไม่มีตัวเขาที่จะทำให้เราไปริสยาจะมีได้ยังไงเราว่างเขาว่างตัวริสยาก็ว่างตัวริสยาไม่มีที่จับไม่มีที่เกาะในที่สุดก็อันตรธานไปมีแต่ความว่างเราก็ว่างเขาก็ว่างริสยาก็ว่างเมื่อว่างกับว่างมาบวกกันก็เป็นว่างอย่างยิ่งเป็นปารมิุญยตาเป็นความว่างอันไพศาล ในความว่างงานไพศาลนั้นกิเลสที่ชื่อริษยาลงจับอะไรไม่ได้เลยและเหตุดังนั้นเราจรึงไม่ถูกความทุกข์เพราะริษยาตามเล่นงานเราเห็นไหมว่าถ้าเราอยากจะหนีรอดจากภัยริษยาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ต้องหันมาเจริญนิพพานากรรมฐานอย่างน้อยที่สุดให้จิตตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ถ้าตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้อดีตก็ไม่มากวนอนาคตก็ไม่มากวนเมื่ออดีตไม่มากรวนอนาคตก็ไม่มากวน ริษยาซึ่งไม่มีพาหนะน้าคืออดีตและอนาคตในที่สุดก็ก่อตัวขึ้นมาในใจของเราไม่ได้เพราะก่อตัวขึ้นมาในใจของเราไม่ได้ใจของเราก็เป็นใจที่รู้ตื่นเบิกบานทุกคืนทุกวันก็มีแต่ความร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขนี่แหละคือการจัดการความริษยาขัน้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกท่านน่าจะลองไปฝึกทําดูนะเอาละตอนนี้ก่อนจะเข้าช่วงที่สองอัตมาภาพมีแบบฝึกหันดน้อยๆให้เราทุกคนทํานะทุกคนยืดตัวขึ้นมา เอาละประสานมือไว้ตรงหน้าตักนะประสานมือไว้ตรงหน้าตักเอาละหลับตาลงยิ้มน้อยๆให้ตัวเองนะที่วันนี้เนี่ยท่ามกลางเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเต็มไปด้วยความขัดแยง้งเต็มไปด้วยอันตรายระเบิดจะมาจากที่ไหนทางไหนก็ไม่รู้ในขณะที่เขาพากันไปอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งความรุนแรงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เราก็พาการมาเข้าสู่โลกของธรรมะไม่ใช่ง่ายที่คนส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้ามาหาธรรมะแต่ตตทั้งๆที่การหันหน้าเข้าหาธรรมะเป็นไปได้ยากถึงกระนั้นเราก็ได้พาตัวเองก็ามาสู่ร่มของธรรมเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอย่าให้เสียทีที่อยู่ในร่มเงาของธรรมะเราควรจะมาพิจารณาตัวเองนะเอาละจากนี้พิจารณาตัวเองซีว่าในชีวิตของเรา ยังคงมีใครสักคนที่เราริษยาเขาไหมพิจารณาด้วยใจเป็นกลางนะคุณจอมนะพิจารณาดูมีไหมนึกย้อนไปนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดูซิว่ามีใครสักคนหนึ่งไหมที่เรายังริษยาเขาอยู่ดูซิว่ายังมีใครสักคนหนึ่งไหมที่เรายังโหสิกรรมให้เขาไม่ได้ดูซิว่ายังมีใครอีกสักคนหนึ่งไหมที่เราไม่ยอมให้เขาได้เดบได้ดีมีความสุข ดูซิว่ายังมีใครอีกสักคนหนึ่งไม้ที่เรายังยือเขาไว้ให้เป็นมะเร็งในหัวใจของเราถ้ามีนะคุณยอมนะคุณยอมมองหน้าเขาในมโนภาพให้ชัดๆแล้วอธิษฐานในจิตในใจว่าฉากนี้เป็นต้นไปฉันขออภัยให้เธอเราจะเลิกแล้วต่อกันเพราะชีวิตนั้นแสนสั้นเหลือเกินขอให้เราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างใช้ชีวิต อย่ามาสิ้นเปลืองเวลากับความอิจฉาริษยายต่อไปขอให้เธออยู่อย่างที่เธอควรอยู่ฉันก็จะอยู่อย่างที่ฉันควรอยู่ขณะเดียวกันหากเธอมีทุกข์ขอให้เธอพ้นทุกข์และถ้าเธอมีความสุขฉันขอโมทนาสาธุการให้เธอมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านานคุณโยมทุกท่านทุกคนหลับตาพิจารณาดูแล้วปล่อยเขาไปนะตามทานองที่ธรมภาพแนะนา อาละลืมตาขึ้นมานะ๋อแสดงความดีใจกับทุกทุกคนนะที่สามารถปลดก้อ น, หนเห็นแห่งความริษยาออกจากตัวได้สำเร็จเหมือนกับที่นักบินที่ขึ้นไปพร้อมยานอาวากาศปลดยานที่เป็นถังเชื้อเพลิงทิ้งทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนแล้วสุดท้ายเหลือแต่ยานแม่จริงๆเอาใครปลดได้บ้างยกมือสิให้ตามาชื่นใจหน่อยสิ ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนบางคนนั้นให้อภัยยากจริงๆใช่ไหมให้อภัยยากมนุษย์นี่ก็แปลกมากนะห่วงศัตรูนะชวนปล่อยศัตรูไม่ปล่อยอนะ่ะเรื่องอะไรฉันจะปล่อยมันไปง่ายๆถ้าเช่นนั้นอย่า <c oughs> ยนะมาบนนะชวนปล่อยแล้วไม่ปล่อยเองนละยนะนะใครที่ปล่อยได้แตมาขอโนโมธนาใครที่ปล่อยไม่ได้กลับไปขอให้ฝึกนะ ในที่สุดฝึกปล่อยแล้วก็ก่อนนอนทุกคืนขอให้ลองหลับตาว่าเรายังมีคนที่ริษยาไหมทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งหลับตามองทอดตาไปทั่วทั้งลกไม่มีใครเลยที่เราริษยาเลยใจราบเรียบเหมือนหน้ากรองนะคุณยอมถือว่ามีความสุขในชีวิตมากแต่มากล้าการันตีได้เลยนะทอดตามองไปในที่ทั้งสี่แล้วมองไม่เห็นใครที่เรากําลังริษยาแม้แต่คนเดียวคุณยอมจะมีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดเลย และนั่นแหละความทุกข์ในชีวิตจะหายไปครึ่งต่อครึ่งขอให้ไปเรียนรู้ที่จะทดลองปล่อยวางคนที่เราริษยาขณะเดียวกันถ้าเราถูกข่าริษยาก็ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาททําเช่นนี้ได้นี่แหละคือการจัดการความริษยาเอาและจากนี้เราจะเข้าสู่ช่วงที่สองนะเชิญคุณยมบมปนัดดาวงผู้ดีทางโน้นเลยนะมาชวนเสวนา กลบนมัส ก, การพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนะคะสำหรับท่านผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมกิเลสแมจเมนท์ทุกท่านนะคะก็บุญบรรดาวงผู้ดีค่ะต้องแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายท่านอาจจะ ย, ยังไม่เคยรู้จักเพราะว่าเป็นดาราหน้าใหม่นะคะ <c oughs> ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้รับเลือกนะคะในหัวข้อนี้ลิสยาตอนที่น้องเขาติดต่อมานะคะรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นหัวข้อนี้ แลนะ้คิดไปคิดมาพระอาจารย์คงเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรานะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่จะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นนางร้ายนะคะรับบทนางร้ายเยอะมากแล้วก็จะเข้าใจจิตใจนางร้ายเป็นอย่างดีนะคะในละครหลายต่อหลายเรื่องซึ่งก็อย่างที่พระอ า, าจารย์พูดว่าทําไมตัวริษยาสมัยปัจจุบันคนถึงรู้สึกว่าแม่ ชื่นชมจังเลยแต่ก่อนจะต้องเป็นนางเอกเท่าน really ั้นนางร้ายในสมัยก่อนเคยสัมภาษณ์พี่ๆที่เคยรบทนางอิจชานะคะเคยรบกนางอิฉาในสมัยก่อนเชื่อไหมคะแม่ค้าไม่ขายของให้แม่ค้าบอกเธอร้ายจังเลยฉันไม่ขายของให้หรอกลามมาถึงชีวิตจริงนะคะก็มีบางคนเคยเดินมาพูดกับบุ๋มแล้วก็บอกว่าผมไม่ชอบเลยที่คุณเล่นบทร้ายอย่างนี้เนี่ยทําไมไม่รับบทดีๆบ้างก็นึกในใจก็คุณก็ส่งบทมาสิ คือถ้าส่งบทเจ้าหญิงกีรติขอโทษนะคะถ้าทางเริ่มออกแล้วอนะคะ <c oughs> คือถ้าส่งบทเจ้าหญิงกีรติ <c oughs> หรือว่าจะเป็นไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ฉันปฏิเสธ <c oughs> ไม่เล่นฉันไม่เล่นฉันจะเล่นแต่บทร้ายฉันจะเป็นนางเมษาฉันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุณค่อยมาด่าฉันดีไหมแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะหน้าตาเล่นแล้วตาโตดูแหกดีดูจ้องที่นางเอกดี <c oughs> แล้วก็เสียงที่ดังดุกร้าวแล้วก็ เสียงพูดที่ชัดเจนเวลากโกรธหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้รู้สึกว่าบดตัวฉานั้นถึงพลิกถึงขิงบดก็เลยส่งมาเยอะนะคะก็คิดในใจว่าดีเหมือนกันเพราะชีวิตจริงเราทําอย่างนั้นไม่ได้ชีวิตจริงเราิฉาใครก็จริงหรือว่าเราโกรธใครก็จริงแต่เราทําอะไรขนาดนั้นไม่ได้ในละครต้องบอกว่าเติมสีสันมากกว่าชีวิตจริงเยอะ จากชีวิตประสบการณ์ของบุ๋มเองในละครเป็นท่าทางที่มากกว่า ก, วกันเยอะคงไม่มีใครใแม้กระทั่งในนี้บุ๋มเชื่อว่าเดินผ่านใครสักคนที่เราได้สยามแล้วเรารู้สึกเดินผ่านแล้วือแกฉันจะฆ่าแกให้ตาย <laughs> มันคงไม่มีใครทําท่าทางอย่างนี้ในชีวิตจริงแต่ในละครเราทําได้ดังนั้นมันก็เหมือนกับการได้ระบายอารมณ์อย่างนึงเหมือนกันพยายามมองมองโลกในแง่ดีนะคะว่าเออในละครมันทําแล้วสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนเพียงแต่ว่า พอถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงมันเยอะกว่านั้นค่ะสิ่งที่ผมเจอเจอเองผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เดอเจอทั้งหลายหลยอย่างทั้งไปริษยาเขาก็มีทั้งโดนเขาริษยาก็มีเพราะว่าอยู่ในวัดวงก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยนะเรียนให้เก่งนะลูกทุกคนคงเจอใช่ไหมคะเรียนให้เก่งนะลูกเราอยากสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่เราพยายามเรียนให้เก่ง ผมอายุสิบห้าผมเข้ามาหาวิทยาลัยได้ผมสอบมสามขึ้นมหกเลยนะคะดังนั้นเด็กอายุสิบห้าเนี่ยที่เข้ามาหาวิทยาลัยได้กับพี่ๆที่สิบเจ็ดสิบแปดที่เข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งได้เนี่ยมันต่างกันเยอะด้วยความรู้สึกของประสบการณ์ใบประกาศนียบัตรจริงๆมันไม่ได้ทําให้คนประสบความสําเร็จในชีวิตเท่ากับการผ่านโลกที่แท้จริงเด็กคนหนึ่งที่โดนบอกว่าให้เรียนให้เก่งลูกให้เรียนให้เก่งนะลูกพอเข้าไปยืนอยู่ในจุดนั้น กลายเป็นเด็กท็อปขึ้นมาหรือเรียนเก่งขึ้นมา 4.00 ที่อยากจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจแต่เพื่อนๆรับไม่ได้ทุกคนพูดว่าตอนดูจําได้เลยเป็นฉากเหมือนได้ละครค่ะเป็นฉากใบประกาศผลติดอยู่หน้าหน้าบอร์ดนะนะคะมุ่งเข้าเรียนที่เอแบกเรียนที่หน้าบอร์ดแล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บได้เกรดอะไรผ่านไม่ผ่านมีสายตาอีกสี่ห้าคนที่เรียนอยู่ด้วยกันแล้วก็หันมาประมาณนี้เดี๋ยวทําให้ดูเนี่ย ผ่านอยู่คนเดียวไหนบอกทำไม่ได้ไงคือด้วยความที่เราเคยเรียนได้แต่คะแนนเ <c oughs> ต็มคะแนนเต็มเราก็จะรู้สึว่าไอ้สิ่งที่ข้อผิดพลาดอะไรข้อผิดพลาดของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรเราก็จะคิดว่าไอ้ข้อที่ผิดพลาดนั่คือข้อที่สิ่งที่เราทำไม่ได้แต่ไม่นึกว่าไอ้คำว่าทำได้หรือไม่ได้ของคนคือขอแค่พอผ่านก็พอแล้วแต่พอหันมาในบอกทำไม่ได้ไแล้วก็เดินผ่านไหลเราก็ชนไหลเราปึ้งเดินไปเราก็เออไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเรามันน่าจะใช่ไอ้สิ่งที่ว่ามันน่าจะสิ่งที่ดีที่สุด กับกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมรับทุกค่ะมีความทุกข์กลับบ้านเรียนดีไม่ใช่ว่าจะได้ดีนั่งเรียนแล้วเครียด <c oughs> แสดงว่าสิ่งที่เราทำเราต้องปรับตัวมาติวให้เพื่อนไหมจะได้ได้เกรดเหมือนเหมือนกันเข <c oughs> ียนช็อตโน้ตให้เพื่อนไหม <c oughs> ลองมานั่งปรับตัวเองค่ะว่าเอ๊สิ่งที่เราเคยพยายามทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ดีเสมอไป พอเข้าวงการบันเทิงเข้าก้าวแรกด้วยการประกวดนางงามประกวดนางสาวไทยเพราะโดนแม่หลอกว่าต่อให้ตกรอบก็จะได้เครื่องสอําอางกลับบ้านฟรีก็มาประกวดในนั้นช่วงเก็บตัวอยู่ประมาณสองอาทิตย์ถ้าเกิดใครที่เคยดูข่าวปุ่ ม, มนะคะปีนั้นปุ่มโดนตะปูต่ําทุกคนจะบอกว่าเอาตะปูใส่ตัวเองหรือเปล่าโดนอีกทั้งขึ้นทั้งล่องค่ะเจ็บตัวยังไม่พอเจ็บใจอีกตั้งหาก มีการเดินผ่านด้วยที่สําคัญคือโกรธมากเพราะว่าคนที่เดินผ่านนั้นคือคนที่ใส่รู้ด้วยนะคะเพราะว่ามันแม่วงนางงามมันอยู่กันตรงนั้นคือคนที่ใส่แล้วเขาก็บอกไม่ไงเป็นหนองหรือยังยิ่งกว่าละครแล้วเราก็ดันผ่าซื้อแล้วเราก็บอกว่ายังเ <laughs> <c oughs> <c oughs> จ็บใจตัวเองมากกว่าที่ไปตอบเขาว่าทําไมเราตามเขาไม่ทันแล้วก็เอในส่วนของการประกวดนางงามบอกได้เลยนะคะว่ามันมีอะไรอีกเยอะ โดนขโมยชุด น, นอนกันบ้างาวันนี้ผุมไม่ได้โดนะนะคะแต่ในนั้นจะมีอะไรแปลกๆเดินผู้จาเฉียดเขาบอกว่าบุมเป็นตัวเกรงบุไมเป็นตัวเกรงพวกเข้าประกวดผมก็เดินมาเดินผ่านป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลนางงามทั้งหลายแล้วเขาก็มองหัวจุดเท้าแล้วเขาพูดหือ um, ขาใหญ่ <laughs> เผาขนเลยนะคะขาใหญ่แล้วก็โอ้รู้นะไม่ต้องบอกก็ได้ รู้ตัวอยู่ก็ได้แต่เดินเงียบๆไปนี่คือสิ่งที่เจอเจอคือไม่ใช่ว่าดีแล้วเราก็จะมีความสุขเสมอไปแต่ถ้าเกิดเรามานั่งคิดนะคับุมเองมานั่งคิดว่าอา้าวแต่ถ้าเกิดบุมไม่ทําตัวให้มันดีให้มันได้กรรมการจะเลือกบุมไหมบุมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าบุมเองก็ไม่ใช่คนที่สวยที่สุดคนคนที่สวยที่สุดบนเวทีประกวดเพราะว่ามีคนหนึ่งตอนได้ตําแหน่งแล้วละ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งทํางานอยู่ในวังเดินเข้ามาหาบุมแล้วพูดว่า นี่บุ๋มบุ๋มอย่านึกนะว่าบุ๋มจะเป็นคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยอย่างที่เขาพูดกันตออให้ได้ตำแหน่งนางสาวไทยแล้วก็ตามคนที่สวยก็บุ๋มมีตั้งเยอะแยะแต่เขาไม่มาประกวดคนนึกในใจะเอา้าก็ปล่อยมันนอนอยู่บ้านไปสิแต่ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจไม่ได้ตอบออกมาก็รู้ตัวค่ะว่าไม่ใช่คนที่สวยที่สุดคนที่สวยบนเวทีมีเยอะค่ะเพียงแต่ว่าณวันนั้นบุ๋มดูเป็นคนที่พร้อมที่สุดให้กรรมการเลือกเข้ามาได้รับตําแหน่งนั้นมากกว่าตอบคําถามอาจจะโดนใจ หรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามานั่งเครียดว่าอุย้ยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยแล้วฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะดูแลตัวเองยังไงแล้วทาไมฉันถึงไม่สวยกับเขาบ้างทำไมฉันไม่ได้ตาแหน่งดีๆกับเขาบ้างทำไมฉันไม่ได้งานอย่างนี้บ้างมันเครียดค่ะซู่ผมเอาทุกวินาทีเนี่ยทุกวินาทีนะคะที่บุมกำลังคิดอะไรเรื่องพวกนั้นนะบุมกลับมานั่งมองตัวเองว่านะวันนี้ฉันต้องทาอะไรมากกว่า ถ้ามันคิดฟุ้งซ่านมากนะักหางานให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นทุกคนก็จะบอกว่าทําไมบุมทำงานเยอะหลากหลายจังเพราะว่าบุมไม่อยากคิดฟุ้งซ่านอะไรนั่งเอาสมาธิเนี่ยทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทุกคนบอกอืมบุมทํางานเก่งนะขอบคุณค่ะสำหรับคำชมแต่คําชมนั้นนะ่ะบุมอยากจะกลับไปที่ทุกคนมากกว่าว่าเพราะเขาชมบุ๋มเพราะเขาพยายามมองบุมอยู่บุมถึงพยายามทาทุกอย่างให้ดีแต่ในจุดจุดหนึ่งบางทีถามว่ามีอิจฉาไหมมียอมรับตามตรงค่ะมี เวลาไปตามที่ต่างๆหรือว่าตามทำงานในแว่นวงต่างๆก็ทำไมเราไม่ได้งานนี้มั่งทำไมงานได้ตังค์ไม่เรียกเราเลยงานาการกุศลเรียกจังเลยฉันก็ต้องกินข้าวนะไม่ใช่กินแกลบหรือว่ากินแกลบก็แพงนะเดี๋ยวนี้เออทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างงี้ได้ก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจมีเครียดเหมือนกันแต่พอมานั่งนึกแล้วนึกไปแล้วได้ประโยชน์อะไร ในเมืองค้าเกิดฉันทํางานการกุศลเยอะๆฉันทําอะไรเยอะๆฉันเจอเจอผู้คนเยอะๆแล้วเขาก็เห็นความสามารถในตัวฉันว่าฉันทํางานพิธีกรได้ต่อให้วันนั้นเนี่ยบางทีไปเสียตั้งอิตัางหากพวกสงสารแต่ก็ไปแต่พอเขาเห็นว่าเออในนี่ไงทํางานพิธีกรเห็นงานเห็นหน้าค่าะแต่งานเข้ามาค่ะแล้วผมว่าเชื่อว่าผลบุญนั้นมันยังส่งผลให้ผมจนถึงทุกวันนี้ผมเป็นนางงามเดินโบกมืออย่างเนี้ย 8ปีที่ผ่านมาบุ๋ม8ปีแล้วนะคะแต่บุ๋มก็ยังพอจะมีงานให้บุ๋มได้ทำอะไรเรื่อยๆซึ่งบุ๋มเองก็ยังรู้สึกว่าเออนะคงเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้ว่าเราอยากจะทำให้มันได้ดีแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วคนก็คงจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วเข้าถึงยังส่งงานมาให้แม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องวิ่งหนีออกช่องลมก็ตามคือมันก็คงจะเป็นมุมมองหลากหลายอะนะคะ จริงๆแล้ววันนั้นก็กะจะนั่งอยู่จนวินาทีสุดท้ายค่ะพระ อ, อาจารย์คะแต่หนูเห็นฝ่ายห้องคอนโทรลมันวิ่งออกไปก่อนแล้วฝ่ายผู้ประกาศข่าวฝ่ายชายก็วิ่งไปก่อนหน้าหนูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนั่งอยู่ทำไมจริงๆก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นกลางก็อยากจะเป็นหรอกคะ่ะตอนนี้งงกับสีไปหมดแล้วไม่กล้าใส่สีอะไรเลยนะคะเพื่อนเนี่ยไม่กล้าจริงๆมันเซนซิทีฟเกินไป ปีใหม่หนูก็อยากไปนะคะที่อาสมเหมือนเดิมค่ะถ้ายังบินได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของความอิจฉาริษยาเนี่ยพระอาจารย์คะบางทีก็เคยมาปรึกษาพระอาจารย์บอกเหนื่อยใจเหลือเกินทำงานเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจนี้ไม่ไหวจริงๆบางทีมันเครียดมากว่าเขากำลังจะมองเรายังไง เขาไม่เห็นเราในแง่ดีเท่าไหร่เลยแม้ว่าเราพยายามทําความดีมากมายก็ตามยิ่งทําดียิ่งโดนเกลียดไม่เข้าใจจริงๆบางทีมไม่อยากจะไปเลยทํางานเนี่ยสถานที่เนี่ยรวมตัวกันทีไรเหนื่อยใจทุกที<ม>ก็เลยปรึกษาพระอาจารย์สักนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ควรจะคิดยังไงก่อนเริ่มแรกดีค่ะก็ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าว่าชุมชนที่เราจะไปเนี่ยเขาไม่ปลื้มอยู่แล้วอนะแตมา ว, าว่าวิธีที่ดีที่สุดอย่าไป แต่ถ้าเงินเยอะก็ไปเพราะว่าคุณยมบุญบอกแล้วว่าต้องกินต้องใช้อ่ะมาหาพระจารย์ได้แต่ใบอนุโมทานาเอาไปขึ้นเช็คก็ไม่ได้แล้วก็บอกว่าจ่ายเป็นบุญเต็มร้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่สบายใจเลยอย่าไปนะเพราะว่าถ้าไปแล้วนี่บางทีบางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทางหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมธรรมาภาพก็ด้วยความที่รับหนังสือพิมพ์หลายฉบับธรรมาก็จะเห็นข่าวอยู่เสมอว่า เดี๋ยวก็มีเรื่องตรงโน้นเดี๋ยวก็มีเรื่องตรงนี้เดี๋ยวก็หาว่าเปิดฟาร์มเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยนะธรรมาก็รู้ว่าไม่จริงนะไม่จริงหรอกหรือจะจริงก็ได้อรรมาก็ไม่รู้อีกนะก็ถ้าปลอดภัยที่สุดอย่าไปในที่ที่เราไม่สบายใจมีพุทธศาสนาสุภาษิตตรัสเอาไว้ว่าถ้าบัณฑิตพิจารณาเห็นแล้วว่าคนคู่เวรอยู่ตรงไหนไม่ควรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพราะการอยู่ในสถานที่ที่มีคนคู่เวร แม้คืนเดียวก็มีความทุกข์เห็นไหมนี่เป็นวิธีที่หนึ่งและวิธีที่สองถ้าคุณยมพิจารณาแล้วว่าไปงานนี้ถึงแม้จะสุ่มเสี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ธรรมดานะชั่วโมงละตั้ง5้าหมื0นเจ็ดมืนะโออย่างนี้ก็ไปเถอะนะแต่ว่าก็ขอให้อย่าประมาทก็แล้วกันบางทีในส่วนของสภาพจิตใจนะคะพอเราคิดว่า โอยเราต้องเจอเจออะไรใครมาอิจฉาเราหรือว่าเราไปอิจฉาเขามันมีแต่ทุกข์รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเลยรู้สึกเจ็บจนเลยตัวตนเรามันอยู่ที่ตรงไหนทําไมเราไม่มีเหมือนเขาบ้างพอคิดมากๆเข้ามันก็มีแต่เจ็บและเจ็บตัวตนจริงๆความสุขจริงๆเริ่มหายไป ท, ทั้งๆที่ความสุขรอบด้านเนี่ยกับคนที่รักเราจริงๆผมว่าต่อให้จํานวนน้อยกว่าหรือว่าอะไรก็ตาม แต่บ้ว่าเราน่าจะใช้ทุกวินาทีที่เรายังมีชีวิตอยู่น่ะทุกวันนี้กับคนที่รักเราดีกว่าแทนที่ผมจะมานั่งทุกข์นั่งเศร้านั่งเอาเข่ากอดตัวเองหรืออะไรก็ตามผมช่วยเอาเวลานั้นไปนั่งเล่นกับลูกไปนั่งเล่นกับญาติคุณพ่อคุณแม่าหาเวลากับท่านมีความสุขค่ะชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นกับคนที่ทําไมเราต้องมานั่งเครียดกับคนที่เขาไม่รักเราแล้วเอาเวลาของเรา ไปใส่ใจกับคนที่รักเราดีกว่าใช้เวลาทุกวินาทีให้มีค่ากับเขาเราคงห้ามคนอื่นมาเกลียดเราไม่ได้บุมเองมีคนถามว่าบุมโดนข่าวเยอะจังเลยพระอาจารย์ติดตามนะคะดีจังเป็นข่าวเยอะจังเลยบุมรู้ว่าบุมเป็นข่าวเยอะมากแลเป็นข่าวง่ายมากอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาดูรุนแรง ด, ดูดูเป็นคนพูดตรงตรงตร ง, ตรงไปตรงมาดูเป็นผู้หญิงมั่นใจแต่ผู้หญิงมั่นใจก็เจ็บเป็นนะคะแต่ จะให้ทำยังไงจะให้นั่งร้องไห้หรือยืนร้องไห้ให้สื่อดูก็คงไม่ใช่บุ๋มอีกจะให้มานั่งเครียดแล้ววิ่งหนีจะให้บุ่มวิ่งหนีออกจากวงการมาเทิงดีไหมฉันไม่อยากจะทำเคยคิดแรกๆเคยตอนที่โดนข่าวเยอะๆเคยแต่กลับมานั่งคิดตัวเองคะว่าแล้วฉันจะหนีไปไหนหนีไปทำงานในบริษัทแล้วคิดว่านิสัยอย่างบุมจะทางานไม่ให้เต็มที่หรือก็คงไม่ใช่แล้วก็โดนนินทาอีก แล้วโดนนินทาอีกแล้วยังไงวิ่งหนีอีกหลุบเปล่าดังนั้นถ้าแวดวงมันเป็นอย่างนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้บุ๋มจะไม่หนีค่ะสู้เอาเวลามานั่งพิสูจน์ตัวเองเลยว่าเราใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ายิ่งหนีเราก็จะต้องหนีต่อไปเรื่อยๆเราก็จะมีหนีแต่ความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆเราก็จะแบกความทุกข์นั้นสะสมขึ้นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าบุมไม่นั่งคิดอ๋อเป็นเพราะฉันมีคนรู้จักเยอะเสียงวงนินทา ม, มันก็อาจจะกว้างมากหน่อย ถ้าทำงานในบริษัทหรือในมหาวิทยาลัยวงนินทาก็อยู่ในวงนั้นเท่าที่คนที่รู้จักฉันเพียง น, นวันนี้ฉันเป็นดาราวงนินทามันก็เลยกว้างก็เป็นตามการแค่นั้นแหละยิ่งเป็นที่รู้จักคนก็ยิ่งรู้ข่าวเยอะแต่มันก็เท่านั้นค่ะสู้เรายือนหยัดอยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นมันก็จะหนีไปเรื่อยๆมันก็จะทุกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหาจุดความสงบของตัวเองไม่เจอและอีกอย่างหนึง่งเราอะนิสยัยติดกันนะคะ ทำจนติดเป็นนิสัยบางทีชมเขาแต่ทําท่าเหมือนดินทามีคนเดินเข้ามาในห้องหน้าตาดีผู้หญิงด้วยนะเราอะผู้หญิงเราจะมักจะเป็นนี่แกดูคนนั้นสิพอเริ่มเอียงปุ๊บถาว่าคนที่เดินเข้ามาเขาจะไม่รู้เหรอเขาว่าคุณกําลังดินทาเขาอยู่รู้นะคะแล้วก็เริ่มเกรงแล้วเขาก็จะไม่ชอบที่หน้าคุณด้วยถูกไหมคะสร้างศัตรูโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว ท, ทั้งที่คุณกําลังชมเขาเราจะชอบแบบ เอดูคนนั้นมันเป็นปฏิกิริยาที่คุณไม่รู้ตัวความมิจฉาลิสยาหรือว่าแม้กระทั่งพูดถึงก็ตามหรือเปิดตามหน้าหนัหนงสือพิมพ์เตอิดตามหน้าสือ่อพอเจอปุ๊บวินางแอกคนนี้สวยจังหืมมีข่าวเยอะวยเนี่ยคนนี้สวยจังทำจมูกุ๊ยคนนี้ร้องเพลงดีหัวล้านอะไรก็ตามเราต้องหาข้อติเขาเนเหมือนกับว่าทำแล้วสบายใจ คุณโยมเจ้าค่ะามามีประสบการณ์ตรงนะเแต่มาเคยไปชมดาราบางคนแล้วมีคนมากะซิบพระจารย์ไปชมมันทําไม่คือเขาไม่ชอบกันอยู่แล้วนะล่ามมาถึงกระมาด้วยนี่แสดงว่ามนุษย์เรานี่ก็แปลกนะมีความสุขกับการที่ได้เห็นความทุกข์ของคนอื่นนะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณโยมผมกาลังอยากจะบอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าเราจะชมใครเนี่ยชมอย่างเปิดเผยอื <c oughs> ไม่ต้องไปทําท่ารีลับอะไรใช่ไหม ไม่ต้องรีรับอะไรไม่ต้องเอียงตัวไม่ต้องทำท่าเหมือนเฮ้ยแกดูคนนั้นล้อหรอกแต่เขาคนหล่อคนนั้นเขาจะไม่ชอบคุณทันทีเพราะว่าอะไรคุณทำท่าเหมือนดินทาเขานะคะแล้วก็อีกอย่างมันเป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องชมก็คือชมอย่างจริงใจชมออกไปเลยค่ะว่าเราชื่นชมเขาแต่ถ้าเกิดจะดินทาอย่าเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้คนข้างๆจะรู้จักกันหรือเปล่าจุดใต้ดาตอก็เยอะนะคะสังคมไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะคะรู้จักกันก็เยอะแล้วสิ่งที่คุณรู้มาใช่ว่าจะเป็นเรื่องจริง ถ้าสิ่งที่คุณได้ยินมาหรือรู้เห็นมาเพียงแต่ว่ารับรู้มาจากคนอื่นนั่นคือความทุกข์ของคุณแล้วนะคะที่คุณยังจำเอาความทุกข์และข่าวที่ไม่จริงคุณสร้างสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้กับจิตใจตัวเองและข้อมูลในหัวของคุณเองเกี่ยวกับคนอื่นเขาดังนั้นทิ้งมันไปอะไรที่ไม่ดีของคนอื่นอย่าไปพูดอย่าไปมองเพราะว่าอะไรมีบางคนชอบพูดไงียงนี่สังเกตพี่คนนี้ดิเขาใส่วิกมาแล้วตาคุณจะไปเผลอมองวิกเขาตลอดเวลาใช่ไหมคะ มันจะมีอะไรบางอย่างที่เราจะไปเผลอนั่นไงคนนั้นทำหน้าอกก็จะไปเผลอมองหน้าอกอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวอย่ารู้เลยดีกว่า ก็มาแล้วเป็นพระได้ปลอดภัยเนาะไม่ใครไม่น้องมาพูดเราไปทําหน้าทำผมทําอะไรมาหมดห่วงจริงๆนะดีแล้วเจ้าค่ะทีนี้ต้องถามผู้ที่นั่งฟังบรรยายบ้างดีกว่าก็มีประสบการณ์อะไรกันบ้างถามขึ้นมาเลยนะนะคะคือจากบุกมีการแบ่งปันไปแล้วก็คงยังต้องจะเจออะไรอีกต่อไปเพียงแต่ว่าอ่ขอยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันมีน้องคนนึงบุกมีเว็บไซต์อยู่นะคะบุกบรรด .com ก็จะให้แฟนคลับหรือใครก็ตามที่อยากจะถามอะไรปรึกษาอะไรเนี่ยอีเมลเข้ามา ก็มีน้องคนหนึ่งเขาเขียนอีเมลเข้ามาเนี่ยหนูมีเพื่อนที่รู้จักอยู่คนหนึ่งซึ่งเชื่อใจได้มากเลยนะคะเขาบอกว่าพี่ตอนสมัยอยู่มาหาวิทยาลัยแรดแรดมีผู้ชายขอภัยคะ่ะเด็กว่าพระไม่อยู่ห้องนี้ <laughs> ลืมตัวหนูเล่าให้ฟังน ะ, ะเพื่ออัธรรตในการบรรยาย <laughs> แรดแรดมีผู้ชายเยอะยะมากมายเนี่ยพี่ ม, มั่วมากมเลยจริงหรือเปล่าคะอย่างอุตส่าห ม, มาถามก็เลยอีเมลตอบกลับไปนะคะอีเมลตอบกลับไปว่า น้องคะ อ, อถ้าน้องมีปัญหาคับข้องใจขนาดนี้จริงๆเนี่ยน้องมาคุยกับพี่ดีกว่าจะได้รู้จักกันจริงๆดีกว่าไปฟังจากคนอื่นเขาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าน้องเห็นรูปพี่สมัยตอนมหาวิทยาลัยน้องจะไม่คิดอย่างนั้นกับพี่เลยอีกแบบหนึ่งนะคะวนันผมน้ําหนักประมาณ80ได้นะคะ ม, มีชีวิตที่แฮปปี้มากกินได้อย่างสบายใจไม่เหมือนตอนอยู่ในวงการมีตังแต่กินไม่ได้นะคะก็เลยบอกว่าเนี่ย น้องมารู้จักกับพี่ไหมคือถ้ามีปัญหาข้อพ้องใจมาคุยกันได้นะพี่ไม่มีปัญหาอะไรเคลียร์ตั ว, ต, ว, ต, วตัวดีกว่าเพียงแต่ว่าการที่น้องไปฟังจากคนอื่นแล้วถึงขนาดน้องทุกใจแล้วต้องอีเมลมาหาพี่เนี่ยน้องอย่าทําอย่างนี้เลยพราะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้การที่น้องไปว่าคนอื่นเขาก็ไม่สบายใจเขาก็จะโกรดน้องแล้วน้องก็ดูไม่ดีอย่าทําอีกกับคุณพระอาจารย์ค่ะแต่เราไม่กล้า บ, บางทีบางคนไม่กล้าบอกออกมาว่าเอ้ยฉันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คืออย่างที่พระอาจารย์บอกรักษาภาพพจน์ ตอนที่คิดเออจะเล่าดีไหมเอาเพระอาจารย์เรียกมาขนาดนี้แล้วเล่าไปเถอะนะฮะมีไมหมคะจะลองแบ่งปันกันอะระหว่างที่ยังรอง ค, คำถามเนี่ยแต่มาถามคุณอมปุ่มเลทหนึ่งเวลาเล่นเป็นตัวฉาเนี่ยต้องทําใจยากไหมหรือว่ามันทำได้เลยของปุ่มคิดว่าเป็นเป็นเรื่องของละครมากกว่าพอเป็นบทละครเราก็จะพยายามอินกับตัวนั้นโดยที่เราบุ่มเองที่ มีคนตอบรับเยอะเรื่องของการเล่นเป็นนางร้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าบุมพยายามจะตั้งคาแรคเตอ ร, ร์ของแต่และตัวอิจฉาคือจะไม่พยายามทุกเรื่องเล่นเหมือนกันหมดแก่แก จ, กจะฆ่าแกะอะไรแค่นี้มันน่าเบื่อสำหรับตัวบุม๋มผุมจะตั้งว่าอ๋อนางอิดชาตัวนี้ระดับการศึกษาเป็นยังไงบุมคิดถึงแบ็กกราวด์ที่สร้างเรื่องเอาเองแม้ทั้งคนเขียนบทไม่ให้บุมมาก็ตามสภาพครอบครัวเป็นยังไง จิตใจเขาเป็นยังไงเขาชอบผู้ชายคนนี้เพราะอะไรหรือเขาเกลียดผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรมผมจะสร้างเหตุและผลมันดังนั้นแววตาและน้ําเสียงมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นสีสันของการเล่นเป็นตัวร้ายของแต่ละเรื่องของบุ๋มมันก็เลยจะแตกต่างกันและบุ๋มเองก็จะสนุกกับงานด้วยคือไม่ใช่เอ๋อก็แกฉันจะฆ่าแกแกฉันก็จะฆ่าแกมันเหนื่อยมันทําได้หลายอย่างแม้กระทั่งประโยคเดียวกันก็ตามแต่แรงบันดาลใจในการแคร์คนมันต่างกันได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะอืมนะฮะมันสร้างแตกต่างกันคะอย่างเช่นมา แกฉันจะฆ่าแกอันนี้คือแบบเป็นพวกที่อาจจะไม่ได้อยากเก็บกดอะไรเออะไรก็พูดเปิดเผยไปเลยแต่บางทีบางคนนี่คิดมานานแล้วแล้วมันคิดมาหนักมากก็คิดจะทําจริงๆก็แกฉันจะฆ่าแกมันจะเห็นไหมครับประโยคเดียวกันแต่มันได้อารมณ์ที่ต่างกันมันก็จะต้องมีอินเนอร์เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยมันต้องมีจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะของอาจารย์เฉลิมชัยที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังเป็นทุกอย่างเลยนะีมีวันหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่า ตื่นเช้ามาแกก็เห็นโยมาก็ไปชี้หน้าด่าเลยนะแล้วแกก็ลืมไปว่าไม่ใช่คนของวัดจ <laughs> <laughs> นเขาบอกว่าอาจารย์ข้าหนูมาจะกรุ๊ปทัวร์ค่ะ <laughs> แต่แกด่าไปแล้ว <laughs> เป็นไหมก็ <ol> <ol> เป็นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบนะ <c oughs> เอาละมีใครจะถามเชิญเลยนะคุณผูชมนะในในห้องนี้ก็ได้นะถ้าใครจะถามยกมือเลย <c oughs> มีไหมคะ จริงๆผมผมเองเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องว่าใครจะมาอิจฉาหรือว่าอะไรเราแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนกลางครับอาจารย์เราจะสามารถช่วยให้เพื่อนกับอาจารย์พี่เลี้ยงคนที่เขาสามารถสมานนฉันกันหรือว่ายังไงได้บ้างครับก็เป็นคำถามที่ร่วมสมัยมากรอฟังอยู่ไม่น่าเชื่อว่าจะร่วมสมัยได้ขนาดนี้สมานนฉัน อาตมาคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบลบําบากเพราะว่าการที่เราจะให้คนสองฝ่ายมาไม่คุยกันนี่มันมีอุปสรรคอยู่นะอุปสรรคอยู่สามตัวหนึ่งก็คืออยากได้สองก็คืออยากใหญ่และสามก็คือใจแคบการที่คนสองฝั่งไม่ยอมสมานฉันจันคือไม่ยอมคุยกันเพราะอะไรอยากได้ก็คือมันมีผลประโยชน์บางอย่างที่ทําให้เขาเห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าเห็นแก่มิตรภาพเป็นคงไทยตอนนี้ถ้าเห็นแก่มิตรภาพ ก็คุยกันได้นะแต่เพราะมันมีก้อนผลประโยชน์อยู่ก้อนหนึ่งมันทำให้คนไม่ยอมคุยกันเลยอันนี้ก็คืออยากได้ที่เขาไม่ยอมจับเข่าคุยเพราะผลประโยชน์มันค้าคออยู่สองก็คืออยากใหญ่อยากใหญ่ก็คือความเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนระดับหนึ่งกับคนที่ตัวเองจะลดไปคุยด้วยเป็นอีกระดับหนึ่งมันคนละชั้นก็คุยกันไม่ได้ถ้าคิดอย่างนี้นะไม่มีทางที่จะยอมคุย แล้วก็สามใจแคบใจแคบก็คือคิดว่าตัวเองถูกต้องและเมื่อตัวเองถูกต้องจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องเป็นฝ่ายเปิดปากเจรจากับใครอาตมาเคยเจอคุณแม่กับคุณลูกคู่หนึ่งทะเลาะ ก, กันทุกครั้งเคยมาหาตามาจะมาด้วยกันเมื่อต้นปีแม่แม่มาคนเดียวตามาถามว่าลูกไปไหนเธอก็บอกว่าทะเลาะ ก, กับลูกแล้วลูกอยู่ไหนลูกไปนอนคอนโดทำไมยมไม่โทรไปหาลูกยมก็บอกว่าก็ถ้ายมโทรไปก่อนก็เท่ากับว่าโยมแพ้สิ ยมก็เลยไม่โทรในมุมกลับกันนะลูกก็คิดอย่างนี้กับแม่นะอาดมาเคยถามลูกว่าทําไมลูกไม่โทรมาคุยกับแม่ลูกก็บอกว่าถ้ามีปัญหาแล้วหนูว่าเป็นฝ่ายเริ่มขอโทษคุยกับแม่ก่อนทุกครั้งเดี๋ยวแม่ก็ได้ใจอีกตกลงไม่มีใครคุยกับใครตามาก็เลยถามว่านอนก่อนนอนข้างมาเนี่ยมีความสุขไหมเธอบอกไม่สุขแล้วถ้าเกิดลูกไป น, นอนหอเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นคนไม่ดีคุณแม่จะคิดยังไง สุดท้ายคุณแม่คิดอย่างนี้ก็เลยเป็นฝ่ายโทรไปคุยก่อนในที่สุดก็ได้ลูกกลับคืนมาอันนี้นะคือภาวะที่ใจแคบนี่จะเป็นอุปสรรคของการไม่ยอมเปิดใจเจรจานะฉะนั้นก็อุปสรรคของการเจรจาสามาญฉันก็คืออยากได้อยากใหญ่ใจแคบคุณยมลองไปพิจารณาดูว่าอะไรทําให้เขาไม่ยอมคุยกันและประการที่สองในการที่เราจะเป็นคนกลางเข้าไปคุยต้องอดตั้งกาดดิดีๆนะสําคัญมากนะ ระหว่างคนสองคนที่กําลังขัดแย้งกันแล้วเราเข้าไปประสานเป็นเรื่องเสี่ยงมากถ้าประสานสําเร็จเราเป็นฮีโร่ถ้าไม่สําเร็จเราจะกลายเป็นหมาหัวเน่าตอนนี้เขาต้องการเราเนี่ยเขาจะมาหาเราให้ไปพูดไปคุยใช่ไหมพอยิ่งเราเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าลิ่มมันถูกตอกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีไม่ดีเราจะถูกสาดโครนไปด้วยเนีย่ยเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตัวให้ให้มากที่เดียวและสามก็คือเมื่อเราพยายามทุกทุกสิ่งทุกอย่างทุกแ ง, ง่ทุกมุมแล้วยังไงก็ช่วยไม่ได้ ก็ถอนตัวออกมาแล้วก็บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะวางอุเบกขานี่ใช้สามวิธีนะวิธีแรกก็ลองไปศึกษาดูว่าอะไรทําให้เขาไม่ยอมคุยกันทําให้ไม่สามาัคคีกันไม่สมานฉันท์กันวิธีที่สองก็เข้าไปคุยนั่นแหละแต่ให้ระมัดระวังให้มากอย่าให้พลาดพลังเข้ามาจากผู้ปรารถนาดีกลายเป็นผู้ประสงค์ร้ายวิธีที่สามเมื่อพิจารณาทุกแง่ทุกมุมยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็บอกเข้าไปว่าแล้วแต่คุณเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละนี่ มันต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำได้นะอ้าวถามดีมากเลยธารมภาพมอบซีดีนะจะสิ่งพระสจัลของชีวิตให้หนึ่งชุดมารับเลยเอาประมือให้กาลังใจหน่อยปกติเนี่หาได้ที่เซเวนวันนี้จะให้ที่นี่นะ <laughs> นะมีคำถามมาค่ะพระอาจารย์คะบอกว่าสถานภาพเป็นน้าค่ะอายุสี่สิบปีและหลานมักจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องน้อยอกน้อยใจพ่อแม่ ความน้อยอกน้อยใจนี้ใช่ความริษยาหรือเปล่าคะจะให้คําปรึกษาหลานๆอย่างไรมีหลานอยู่สามคนคะ่ะน้อยอกน้อยใจตรงนี้ในใครใครเป็นคนที่น้ออกน้อยใจหลาน ๆ, านๆค่ะหลานๆน้อยอกน้อยใจพ่อแม่ค่ะก็เลยมาปรึกษานะแต่มาคิดว่าในกรณีอย่างนี้ี่ไม่ไม่น่าจะเป็นริษยานะอาจจะเป็นภาวะที่หวังอะไรสักอย่างหนึ่งจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ไม่ไม่สามารถทําให้สมหวังได้ ในที่สุดมันก็เลยแสดงออกเป็นผลข้างเคียงเช่นเป็นโรคน้อยอกน้อยใจพอเป็นโรคน้อยอกน้อยใจในระหว่างนั้นถ้ามีใครมาอยู่ตรงกลางนะเหมือนคนที่ตกน้ําขอนไม้ลอยมาเขาจะคว้าไว้ในที่สุดก็จะเอาคุณน้านี่แหละเป็นที่พึ่งที่พิงอาการอย่างนี้เนี่ยแตมาคิดว่าเป็นเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะคือยังไม่ใช่ริษยาเป็นแค่การสแสวงหาคนที่คิดเหมือนกันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหลานๆมาปรึกษาคุณน้านก็พยายามนะ ประกาประคองแนะนำหลานว่ายังไงก็ตามคุณพ่อคุณแม่ท่านผ่านโลกมามากให้เราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจท่านเอาใจท่านมาใส่ใจเราอย่าเพิ่งตามใจฉันเสมอไปบางครั้งนะพ่อแม่ลูกหลานไม่คุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะแต่มีช่องว่างแตมาขอเล่าเรื่องจริงเลยมีครอบครัวหนึ่งมีลูกสี่คนลูกทุกคนแยกบ้านอยู่กับแม่ แม่คนหนึ่งอยู่ฝั่งทนคนเดียวแล้วทุกๆเดือนเนี่ยลูกคนเล็กเนี่ยจะมีหน้าที่เอาเงินจากจากพี่น้องทุกคนไปใส่มือให้แม่แต่ลูกสามคนนั้นไม่มีใครไปหาแม่เลยเพราะเกลียดแม่ที่แม่ติดการพานันวันหนึ่งลูกคนเล็กนี้เอาเงินไปให้แม่ที่ฝั่งทนวันนั้นเป็นตอนกลางวันวันเสาร์เธอเข้าไปเธอเข้าไปทางหลังบ้านฮะมองเข้าไปในบ้านเห็นแม่นั่งโซฟา รูปหัวหมาตัวหนึ่งแล้วก็ดูโทรทัศน์อยู่เงาๆแล้วเธอสังเกตดูเธอไม่เคยมองแม่แบบนี้มานานมากเห็นผมสีดอกเหลาของแม่จากด้านหลังจูู่ก็เกิดสงสารแม่ขึ้นมาจับจิตจับใจนะเดินเข้าไปส่งเสียงกครมแม่ก็หันมาเธอก็ถามว่าแม่หนูถามหน่อยเวลาลูกๆให้เงินทำไมแม่ต้องไปเล่นไพ่ด้วยแม่น้าตาไหลรื้นออกมาเลยแม่บอกว่า ไม่ใช่แม่อยากเป็นผีการพนันนะลกูกแต่แม่เหงาพวกเองไม่มีใครอยู่กับแม่สักคนได้ให้แม่ทำไงพอแม่พูดอย่างนี้เท่า น, นั้นเองเธอก็น้ำตาไหลแบบไม่มีเสียงเลยนะก้มลงกราดที่แม่เลยเธอเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนั้นเองว่าเหตุที่ผลักดันให้แม่ไปเล่นไพ่เล่นการพนันเป็นขาไพ่ประจำเพราะลูกๆเอาแต่ทำงานส่วนลูกๆมองในมุมกับการว่าส่งเงินเท่าไหร่แม่ไปเล่นพนันหมดแท้ที่จริงตัวปัญหาคือตัวลูกๆนะ เห็นไหมเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายอย่ามัวแต่น้อยใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นะบางทีที่เราน้อยใจท่านเป็นเพราะว่าเราไม่สื่อสารกับท่านด้วยและบางทีตัวปัญหาคือเราด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าคุณเป็นคุณนะ้าก็ให้อยู่ตรงกลางและให้ใช้วิจารณญาณให้ดีๆแนะนำเขาให้ลูกให้หลานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ต่อไปไม่ใช่ว่าเป็นคนน้าแล้วมาอยู่ฝั่งน้าดิ <S <S ต้องระวังให้ดีนะอย่าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากสัมพันธภาพกลายเป็นสัมพันธ์ทลอดนะตรงนี้ต้องระมัดระวัง<ม>เอาใครเป็นเจ้าของคําถามเชวญมารับของที่ระลึกเลยค่ะมีไหมคะอยู่ถ้ามีเชิญนะห้องไหนก็ได้ก็อันนี้ก็คงคงต้องหาโอากาสจับเขาคุยกับคุณแม่ให้ดีนะว่าคุณแม่คะคุณแม่ทําอย่างนี้หลานก็น้อยใจนะคะวันหนึ่งคุณแม่อาจจะเสียหลานดีๆไปก็ได้ ทรามาคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเปิดเจรจาสันติภาพนะคุยกันคุยกั น, กนตามภาษาคนในครอบครัวนะถือว่ายังไม่รุนแรงนะคุณเดียมนะคุยกันตอนนี้ยังทันนะขอน้มน้ถานาด้วย ค่ะนะคะเนื่องจากพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะจะต้องไปอัดรายการวิทยุต่อแล้วนะคะเวลานี้ก็เดี๋ยวยังไงอยากจะกราบนะคะนิมนต์พระอาจารย์ววชิระเมธีมอบของที่ระลึกให้แดนนะคะวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาเชิญรับได้เลยค่ ะ, คะ ก็ทั้งสวยทั้งเก่งนะคะแล้วแถมอัธยาศัยดีติดตลกอีกด้วยค่ะสเสน่ห์เธอเหลือร้ายจริงๆนะค ะ, ะด้วยอา น, นิสงส์ที่คุณผมมาช่วยงานกุศลขอให้งานเข้านะ เอาขออีกสามคำถามนะเชิญมีคำถามอีกมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะเกี่ยวกับเรื่องของความริษยาดสักเท่าไหร่นะคะพระอาจารย์อยากทราบว่านะคะเรื่องสื่อค่ะเพราะสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าสื่อนั้นเสนอในสิ่งที่ไม่ไม่เป็นความจริงผู้ที่เสนอสื่อเนี่ยไม่เป็นธรรมเขาเหล่านั้นจะต้องรับกรรมอย่างไรบ้างค่ะโอ้โหก็ค่อนข้างจะทันเหตุการณ์อีกเช่นกันนะคะคาถามนี้ ก็ไม่ใกล้กันเลยนะเอาตอบก็ได้เพราะว่าวันนี้เราจะปิดคอร์สแล้วเนี่ยก็หลักในในการนำเสนอเนี่ยก็มีอยู่ว่าหนึ่งเรื่องที่นำเสนอต้องเป็นเรื่องจริงสองมีเจตนาดีในการนำเสนอนะแล้วก็สามเมื่อนำเสนอไปแล้วเรื่องนั้นน่ไม่ได้ทำร้ายใครสี่นำเสนอไปอย่างถูกกาละเทศะ หาสาธารณชนได้ประโยชน์จากการนำเสนอข่าวนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เสนอไปเถอะแต่ถ้านำเสนอไปแล้วโดวยวางราักฐานอยู่ที่หนึ่งเรื่องเ ท, ท็จสองมีเจตนาบิดให้เป็นเรื่องจริงสามนำเสนอออกไปสี่มีคนเชื่อและห้ามีคนเดือดร้อนนั่นแหละจะเป็นบาปเป็นกรรมหนักหนาสหัสกรรมของตรงนี้ถ้าเป็นกรรมในปัจจุบันขณะก็คือจะไม่ได้รับความเชื่อถือได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจและกรรมในอนาคตจะกลายเป็นคนที่พูด คิดทำอะไรก็ตามไม่มีเครดิตในทางสังคมเลยซึ่งในทุกวันนี้เราก็เห็นนะมีคนจำนวนมากที่พูดจาอะไรแต่สังคมไม่เคยให้ให้น้ำหนักไม่เคยให้ความเชื่อถือเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เป็นสื่อที่ไม่มีจริยธรรมอันนี้เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราพูดคุยกันโดยตรงเลยนะคะจากที่พระอาจารย์บอกให้เราให้อภัยคนที่เราริษยานะคะและทำให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นโดยบริสุทธิ์ใจ ทำไม่ได้เลยค่ะเพราะคนคนนั้นเนี่ยเป็นภรรยา น, น้อยของสามีเราเองค่ะ จ, ะจะให้เขามีความสุขก็คือจะให้เขามีความสุขกับสามีเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรเราถึงจะให้อภัยหรือว่าไม่ริษยาเขาได้คะและทำอย่างไรถึงจะสามารถทำใจให้เป็นสุขได้ค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจมากนะเพราะว่าก็ ไม่มีใครอยากใช้แปลงสีฟันร่วมกับใครเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ใ น, ในเบื้องต้นตมาก็ขออนุโมทนานั้นที่คุณโยมอ ย, อย่างสนใจมาสแสวงหาธรรมะเอาไว้เพราะถ้าไม่สแสวงหาธรรมะเอาไว้ต่อไปมีน้อยคนนั้นอาจจะเคราะหรายได้ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะถ้าถ้าสามียังคงยินดีที่จะรักทั้งสองคนตมาว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราคงต้องทําใจ น, นถ้าเป็นทำอย่างอื่นอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็ได้นะฮะฉะนั้นให้ทำใจให้กว้างขวางเหมือนกับใจเรานี้เป็นอากาศบัรจุอะไรเข้าไปก็ไม่เต็มนะหรือเหมือนกับใจของเรานี้เป็นแผ่นดินเอาอะไรไปเททิ้งบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ลุกขึ้นมากลด่าประท้วงหรือบางทีก็ทำใจของเรานี้ให้เหมือนกับแม่น้าที่ใครเอาไฟไปจุดก็ไม่ติดนี่เป็นวิธีทาใจที่พระพุทธเจ้าแนะอาไว้ ลองดูนะคุณยอมทำใจให้หนักแน่นขนาดนี้แล้วก็บอกตัวเองว่าชีวิตไม่ได้มีมุมเดียวนะคือไม่ได้มีมุมเดียวก็คือมุมสามีมุมภรรยามุมชิงรักหักสวัสด์ชีวิตมีตั้งหลายมิติอาตอมาเคยเจอคนคนจำนวนมากนะที่ชีวิตครอบครัวล้มเหลวแต่ในที่สุดหนานก็มาสู่ธรรมะ และสามารถลุกขึ้นมาหยัดยืนและสามารถทำงานเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวแล้วก็ไประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ได้ฉะนั้นเราควรจะยกใจให้สูงนะอย่าให้เรื่องเล็กๆในครอบครัวกลายเป็นรูรั่วที่ทําให้เรือคือชีวิตของเรานั้นอับปางลงไปนะเพราะฉะนั้นต้องต้องขยายขนาดของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นมาให้มากเพราะถ้าไม่ขยายขนาดของหัวใจให้กว้างขวางขึ้นมาให้มากนะทางที่จะไปก็ติดตัน ดีร้ายอาจจะถึงท่านล้างแค้นเล่นงานวางยาใช้น้ำกดราดซึ่งนั่นเป็นทางที่หายนะทั้งหมดทั้งสิ้นแต่มาก็แนะนำสั้นๆว่าให้ทำใจให้หนักนั่นและประการที่สองก็ยกใจของเราให้สูงถ้าใจของเราสูงพอนะเราจะภ่ายได้แล้วสามก็คือบอกใจตัวเองนะบอกเราเองว่าชีวิตไม่ได้มีมิติเดียวถ้าชีวิตด้านนี้ไม่สมหวังก็หันไปสร้างความสมหวังจากด้านอื่นบ้าง เหมือนกันที่ครั้งหนึ่งที่นายสอนหลงประดิษฐ์ไพร่นะไปประชันระนาดกับคุณอินแพ้ย่อยยับคนก็ปรามาสว่าจบแล้วสำหรับชีวิตของนายสอนในหนังเรื่องหอมโรงนะแต่คุณยอมเชื่อไหมหลังจากที่แพ้ครั้งใหญ่จนสะบักสะบอมครั้งนั้นนายสอนเลิกตีระนาดหันไปฝึกเป่าปีสี่ห้าปีต่อมาประชันปีคุณอินแพ้ยับเลยเอาดีทางระนาดไม่ได้ก็เอาดีทางปีก็ได้ เนพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันมีหลายมิตินะถ้าไม่เป็นสบความสําเร็จในฐานะเมียหลวงนะไปทำอย่างอื่นเถอะอ้าวคำถามสุดท้ายการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะเป็นอย่างไรเจ้าคะช่วยลดความทุกข์จากอาการริดสียาได้อย่างไรบ้างชูรัญพรการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในต้นตำรับจริงๆเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ แต่ในเบืองไทยของเรานี้คนที่เด่นมากๆก็คือหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภท่านสอนด้วยการให้ยกมือนะอัตมาสรุปสั้นๆการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคืออะไรก็คือการที่เราเติมสติคือความรู้สึกตัวลงไปในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคําที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเช่นดื่มชาก็ให้รู้ว่าดื่มชาเคี่ยวข้าวก็ขอให้รู้ว่าเคี่ยวข้าวกลืนก็ขอให้รู้ว่ากลืน นั่งก็ขอให้รู้ว่านั่งยืนก็ขอให้รู้ว่ายืนเดินก็ขอให้รู้ว่าเดินทุกทุกความเคลื่อนไหวของเราในทุกๆุกเรียบทแม้กระทั่งกระพริบตาลืมตาจะเหลียวจะแลจะคู้จะยืดทุกอย่างเติมสติเข้าไปทั้งหมดนั่นแหละคือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งเมื่อทํามากๆแล้วในอนาคตนะถ้ามันทําเป็นแล้วเราไม่ต้องทําเพราะมันเป็นโดยอัตโนมัติ มันจะเป็นโดยโตัวโนมัติของมันเหมือนเราหายใจเนี่ยเราไม่ต้องฝึกเลยนะพอมันเป็นแล้วเนะี่ยไม่ต้องฝึกเวลาเราจะหายใจก็หายใจเลยถ้าเราเจิอสติเป็นก็คือถึงเวลาเราเคลื่อนไหวจิตเขาจะบอกเราเองว่าเราจะทําอะไรตัวรู้ตัวรู้เขาจะกํากับไปในทุกเอเรียบทเนี่ยก็เป็นหลักการกว้างๆาะตถุมนต์ตื่นได้แค่เนี้ย <c oughs> อ่าใครเป็นเจ้าของคําถามเชิญมารับารางวัลเลยนะเจริญพรเชิญเอาแล้วลนะ วันนี้เราเดินทางมาถึงคอร์สสุดท้ายก็คือการจัดการความริษยาครั้งแรกก็คือการจัดการความโลภครั้งที่2การจัดการความโกรธครั้งที่สามการจัดการความหลงครั้งที่สีการจัดการความทุกข์ครั้งที่ห้าการจัดการความตายและครั้งที่6กการจัดการความริษยาไม่ว่าเราจะจัดการกับกิเลสได้หรือไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันว่ากิเลสนั้น เรามีศักยภาพที่จะจัดการมันได้ยังดีกว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่อย่างผู้ที่หลับไหลคือไม่เคยแววเสียงธรรมเลยว่าชีวิตนี้ตัวเองสามารถหลัดสลัดให้หลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นบางชั่วงบางขณะหรือได้ตลอดไปฉะนั้นคอสกิเลสแมเนจเมนต์ถึงแม้ว่าไม่สามารถนะจะทำให้เราทุกคนเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาทันตาเห็นแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าทาให้เราเริ่มเรียนรู้ว่า กิเลสนั้นเป็นแค่แขกแปลกหน้าของชีวิตและถ้าเรามีวิธีบริหารจัดการที่ดีเราก็สามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระจากกิเลสได้แค่เกิดสัมมาทัศนะขึ้นมาเพียงแค่นี้ธรรมภาพก็ถือว่าคอร์สกิเลสแมネจเมนต์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงยิ่งแล้วฉะนั้นธรรมาจึงต้องขอโน้มโหมทนาผู้สนใจฝ่าธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมคอร์สกิเลสแมเนจเมนต์ตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งมาถึงครั้งสุดท้ายในวันนี้ อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มารวมกันเป็นตาบดเดชพลวะปัจจัยอํานวยโอยชัยให้ทุกท่านทุกคนอยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิรน